ค่อนข้างหนาหน่อยต้องเจอคุบอาจนเยอะๆหน่อยถึงมาคอยถาคอยถางเราถึงจะเกิดเบาบางขนาดนี้นะแต่ผมเจอคุบอาจ์ ain, คนเดียวผมรู้สึกในรับแรงบนันดาลใจพทุทเต็มตำที่เลยนี้แช่คุบาไม่เปลืองนะเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกปุเพนิวาสานุสติยาน ไม่ใช่ว่านั่งศึกษาไปห่วงไปหาไปขี้เกียจไปแล้วก็ทาว่าเป็นรู้ไปอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ซึ่งเรื่องเหล่านี้ย ต, ต้องลาดับอย่างละเอียดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองตามลำดับมาจากช่วงปีนั้นถึงปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่สามปีห้าปีหรือสองปีหนึ่งปีแล้วก็ย้อนคืนไปใช่ไหมหนังโมงนี้จะรับการรีลันได้หลายรอบ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 เหมือนคุณล้านผมไม่เอาหลวงพ่อผมเอาแค่สบาทก็พอเขาว่าคุณปกติไหมไม่ปกติแล้วนะ <laughs> ี่เหมือนกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยผมเอาแค่นี้หลวงพว่อผมไม่เอามากกว่า น, นี้ตอบมีไม่ได้นะเ <c oughs> พราะว่ามันจะผิดปกติแล้วเพราะวิสั ย, ยพุทธเจ้าหมู่การที่สันโดษ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 อบบอกบอกกาแฟฮอ น, น, นเออเนี่ยก็อบอกเออเชิญเอาไปฉันที่วัดเลยครับผมก็จะ บ, บอกอย่างนี้นะเชิญเอาไปฉันนอกวัดเลยกอ็ออให้มันสมเหตุสมผลนะก็ขอขอนุโมทนาสาธุในการศึกษาลงกันในวันนี้แล้วก็ศึกษามาวันนี้ทั้งวันถ้ามีอะไรที่บันทึกลงไปก็บันทึก